ตัวจากนี้ไปเป็นการอบอรมธวช้าเรื่องผู้อยู่เหนือวัตตะสงสารโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่3ธันวาคม2543ที่พุทธสถานปฐมสุขขอเชิญท่านติตามฟังได้นะบัดนี้ คนเราในเกิดมากันก็ถ้าเผื่อว่าไม่ได้พบปัญญาอันพิเศษหรือว่าไม่ได้พบความรู้อันพิเศษที่สมเด็จ พ, พระสมาสุปุรเจ้าท่านได้ตรัสรู้เห็นแจ้งในความจริงว่าการวนเวียนอยู่ในโลกโดยพลังงานที่เรียกว่าจิตวิญญาณเนี่ย แล้วกวนเวียนอยู่ในโลกอยู่ในวัตสงสารนี้คนเราก็จะจมอยู่ในโลกโล ก, กีนั่นแหละและโลกโล ก, กีนั้นมันก็จะสามารถทําความดีได้ด้วยแค่โลกโล ก, กีเนี่ยสามารถทําความดีในระดับดีดีอมมากมากก็ได้ เสียสละอย่างยิ่งยอดเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นประโยชน์แก่โลกแก่สังคมได้อย่างมากเขาสามารถทำได้แต่ก็ยังเป็นโลกีที่เรียกว่าเป็นโลกีนั่นก็หมายความว่าไม่พ้นออกไปจากโลกไม่พ้นออกไป จากวัตตสงสารไม่หมดพบหมดชาติไม่มีนิพพานเรียกว่าโลกีศาสนามากศาสนาแระศาสดาหลายพระองค์ <c oughs> มีศาสดามากพระองค์ที่มีหลักการมีวิธีการที่จะสอน ให้คนเป็นคนดีเป็นคนเสียสละเป็นคนมักน้อยสันโดษสามารถที่จะจช่วยเหลือเฟือไฟายโลกเสียสละตนเองสร้างสรรค์เสียสละแก่มวลมนุษยชาติได้มากมายได้มากจริงๆเสียสละได้อย่างเก่งๆยอดเยี่ยมเลย เพราะศาสนาจึงเป็นสิ่งดีไม่ว่าศาสนาไหนก็เป็นสิ่งดีทำให้สังคมนี้ได้รับผลได้รับประโยชน์ทำให้คนได้มีคุณค่าทำให้คนเป็นคนดีอันนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ศาสนาพุทธนั้นมีพิเศษมีพิเศษตรงที่ว่าสามารถเรียนรู้จุดที่จะทำให้คน หลุดพ้นออกไปจากวัฏสงสารสามารถเลิกพลังงานที่จะเวียนวนอยู่วัฏสงสารถึงขั้นนิพพานถึงขั้นนิพพานจบนิพพานเป็นขั้นที่มีมีความรู้แล้วก็สามารถทำให้พลังงานที่เราเองเรียกว่าอัตตา อันเป็นเราถอนความเป็นเราอันเป็นตัวเราหรือตัวตนถอนความเป็นตนทอนความเป็นตัวเราในสภาพของพลังงานนั่นแหละหยุดระ ง, งับเลิกจบศูนย์พลังงานนั้นหมดฤทธิ์หมดหน้าที่หมดกําลังหมดความมาเกาะกลุมหมดความมาวนเวียน อยู่ในวัฏฏะสงสารนี้อีกไดนะ้ลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะที่เรียกว่าโลกุตระในว่าโลกหรือความวนที่อยู่เหนือความวนโลกก็คือความวนอุตระก็คือเหนือเหนือความวนนะอยู่เหนือความวน ผู้ที่อยู่เนื้อความวนนี้ประสงค์จะวนอยู่ก็ได้จบความวนไม่ต้องมาวนเวียนอีกก็ได้มีสิทธิ์ที่จะอยู่หรือไม่อยู่จะจบหรือไม่จบถ้าจะจบจริงๆเป็นปรินิพานหยุดวนเลยตัดสุดยอดของพลังงานเลิกสลายจริง ถ้าปรินิพพานไปแล้วจะกลับมาอีกไม่ได้แล้วนะนั่นเป็นสุดยอดนปรินิพพานแล้วไม่มีการวนมาอีกแต่ขั้นความเป็นอรหันต์หรือเรียกว่าหลุดพ้นวิมุตตหลุดพ้นหรือสามารถดับนิโรธวิมุตตนิพพานน มีความหมายที่ต่างกันอยู่บ้างนี่โรธหมายความว่าดับเราสามารถจะดับกิเลสอย่างโลกีเช่นนั่งสะกดจิตนั่งสมาธิฌานเนี่ย้เราก็ดับดับชั่วคราว ไอ้คำว่าชั่วคราวนี่อาจจะห้าชาติสิบชาติร้อยชาติยังได้เลยสกดไว้เรียกว่าชั่วคราวชั่วคราวอันนี้คือไม่จริงดับไม่จริงกดไว้เท่านั้นเองสกดข่มไว้เท่านั้นเองอาจจะสะกดข่มไว้ได้ น, นานถึงร้อยชาติตั้งกล่าวแล้วก็ได้เรียกว่าดับดับชั่วระยะหนึ่งพักชั่วระยะหนึ่งไม่ไม่โผ กิเลสไม่เกิดสภาพที่จะทำให้มีทุกข์ีร้อนด้วยมีความเดือดร้อนวุ่นวายอะไรใจแต่ว่าเย็นหรือใจไม่เกิดสิ่งที่มันเป็นตัวเหตุตัวเหตุที่จะมาทำความวุ่นวายมาทำความชั่วมาทำความเดือดร้อนให้แก่ตนแก่ท่านอะไรก็ไม่มีได้ โจระยะ <c oughs> นั่นคือแบบโลกียังไม่เป็นลักษณะอริยสัจ ย, ยังไม่รู้จักเหตุแห่งทุกข์แล้วก็ทำลายเหตุอย่างถูกตัวถูกตนถูกสักกายะถูกอัตตาถูกอาสวะยังไม่ชัดเจนยังไม่รู้แจ้งถึงพลังงานนั้นๆโดยแยกวิเคราะห์ จับสภาพในตัวของแต่ละคนแต่ละคนผู้ปฏิบัติเนี่ยเรียนรู้แล้วก็สามารถมีญาณมีวิชามีญาณมีวิชาสามารถที่จะเพ่งแล้วก็เผาเป็นฌานเป็นวิปัสสนาญาณเป็นมโนมิจฉาทิสามารถที่จะเข้าไปทําลาย <c oughs> ทําลายพลังงานนั้นได้อย่างแท้จริงอย่างถู ก, ถ, กถูกตั ว, ถ, ตวถูกตนเรียกว่าถูกสักกายะถูกอัตตา ถ้ายิ่งแม้เลือละเอียดถึงอาสวะก็ยิ่งหมดเกลี้ยงเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดจับภาวะนั้นถูกก็เป็นนิโรธแบบโลกุตระนิโรธมีโลกีได้มีโลกุตระได้วิมุตจะเรียกว่าหลุดพ้นนิโรธนี่เป็นลักษณะของเจโตวิมุตเป็นลักษณะของปัญญา มีมุิเป็นลักษณะเชิงปัญญาคือรู้ว่าหลุดพ้นแต่หลุดพ้นอย่างโลกีมันก็รู้ว่าเราไม่มีสภาพโลกีในช่วงระยะาที่เราปฏิบัตินั้นท่าโลกีส่วนโล ก, กุตระนั้นหลุดพ้นอย่างมีวิมุตติยานทัศนะมีวิมุตติอย่างที่มีญาณรู้รอบ รู้แจ้งรู้รายละเอียดรู้สมุดไทยรู้องค์รวมของความทุกข์ความไม่ดีไม่งามความเดือดร้อนและก็รู้เหตุจับสภาพของตัวตนของเหตุได้มีวิธีทำให้ตัวตนของเหตุสาเหตุนั้นลดละจางคลายจนกระทั่งถึงขั้นดับนิโรธได้ เพราะฉะนั้นเมื่อสามารถดับนิโรธได้ก็หลุดพ้นออกจากโลกเป็นวิมุตติดับคืออาการสภาพที่จิตไม่ทำงานจิตไม่ทำงานนั่นเป็นโลกีจิตทำงานแต่ดับโดยมีญาณปัญญาวิเคราะห์ว่าเราดับอะไร เราดับกิเลสดับตัณหาดับอุปทานไม่จะไปดับเอาจิตทั้งหมดนั่นเป็นโล ก, กุตระโล ก, กุตระนารู้แยกจิตจิตคืออาการรู้ส่วนกิเลสนั้นคืออาการเลวมันมันมันทำความร้อนความทุกข์ก็จับอาการนั้นได้แล้วก็ล้างเฉพาะอาการที่เลวที่อยู่ในจิตแฝงอยู่ในจิต เป็นเหมือนกับจิตทาทีเป็นจิตแต่มันเป็นอคันตุ ก, กะเป็นแขกที่ไม่ใช่ตัวตนของจิตจริงเพราะสามารถทำได้อย่างมีปัญญาอย่างรู้แจ้งรู้จริงก็เป็นวิมุตทั้งดับกิเลสได้ทั้งหลุดพ้นจากโลกีอย่างรู้ โล ก, กีหรือโลกคนเป็นอยู่อย่างนั้นโลกอบายเป็นต้นโลกในอบายามุกในสิ่งที่สังคมหรือมนุษย์ที่เขาติดกันหลงกันวนเวียนกันไปเสพสุขเสพทุกเป็นทุกเป็นสุขอยู่กับอบายามุกวนเวียนอยู่นี่ยนะไม่รู้จักแล้วพลังงานที่มันเสพมันติด ม, มันก็มี ม, ม, ม, มีอำนาจทําให้คนคนนั้นก็ต้องวนเวียนอย่าง น, นติดวางไม่เป็นลดไม่ได้หยุดไม่ออก ต้องวนไปเวียนมาเสพสุขเสพแล้วก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นแต่ผู้ที่สามารถหลุดพ้นโลกอบายอาบายอย่างนั้นได้เรียกว่าถ้าเป็นโล ก, กุตระก็เห็นอยู่ไม่ใช่หนีไม่ใช่ไปส ก, กดจิตเอาไว้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นแต่วิมุตหรือหลุดพ้นอย่างสัมมาวิมุตไม่ใช่มิจฉาวิมุตนะมิจฉาวิมุต มิมุเหมือนกันแต่มิจฉาไม่เป็นไปอย่างระบบของพระพุทธเจ้าไม่เป็นไปอย่างาศาสนาพุทธนะยังถูกทางพระวิมุตก็ดีนิโรธก็ดีก็มีทั้งมิจฉามีทั้งสัมมานะส่วนนิพพานนั้นไม่ไม่ค่อยเรียกกันหรอกว่ามิจฉานิพพาน แต่มิจฉานิโรธมิจฉาวิมุตต น, นเรียกมีอย่างมิจฉามิจฉานิโรธมิจฉาวิมุตก็เรียกแบ่งแยกได้แต่นิพานนั้นมันเป็นของาศาสนาพุทธที่คนพบจริงๆเป็นนิพานแทๆ้ๆมิจฉานิพานไม่มีไม่มีนิพานก็คือไม่มีเลยถ้ามีนิพานก็เป็นนิพานแทๆ้ๆสัมมานิพานเราก็ไม่เรียก ก็เป็นนิพพานที่ถูกต้องเรียกว่านิพพานมันจะต้องถูกต้องถ้าไม่เช่นนั้นมันก็ไม่ใช่ไม่เป็นสัมมาเป็นมิจฉาวิมุติเป็นมิจฉานิพพานสังสมนิโรธสัง um สมวิมุตต totally ์มาอย่างถูกต้องเรียกว่านิพพานมันจะต้องถูกต้องถ้าไม่เช่นนั้นมันก็ไม่ใช่ไม่เป็นสัมมาเป็นมิจฉาวิมุติเป็นมิจฉานิพพานสังสม นิโรธสังสมวิมุตตมาอย่างถูกต้องอครบครันตั้งมัน่นแข็งแรงไม่กลับกรงิบวิมุตตก็มีช่วงชั่วคราวมีตั้งแต่วิคัมพนา ว, วิมุตต่ทั้งทางเขาวิมุตตสมุทเฉ ท, ทวิมุต ติประสริที่วิมุตตนิสรณาวิมุตตอะไรอย่างนี้เป็นตน้นก็มีวิมุตตที่มีคุณภาพไปเรื่อยๆถ้าวิคัมพนวิมุตตนั่นแหละเป็นการดับหรือเป็นการหลุดพ้นอย่างโลกีอยู่บ้างถ้าอย่างพุทธก็ใช้วิคัมพนะคือกดข่มบ้างอาศัยบ้างแต่จะต้องทาให้ให้อย่างเป็นสัมมาถ้าเป็นสัมมาก็ได้ไปเรื่อ ย, อยช่วย กดข่มช่วยวิปัสนาช่วยกดข่มช่วยวิปัสนาช่วยจนสมบูรณนะ์ได้แต่ทางคะได้มาเป็นคลาๆได้มาเป็นขณะได้มาเป็นช่วงๆนะจนกระทั่งทำได้ดีขึ้นเด็ดขาดขึ้นนะเสร็จแล้วก็มีผลมาพิปิปสัทธิสงบระงับไปได้อย่างจริงสุดท้ายก็ทำได้เด็ดขาดนิสรณะมิมุติ ทำได้อย่างอย่างถาวรอย่างเป็นที่พึ่งมีสรรนะเป็นที่พึ่งโดยที่เรกว่าไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปอะไรอีกก็เป็นที่พึ่งเองนะเป็นยิ่งกว่าที่เรียกว่าอัติอัตโนนาโถอะไรง้ยนะหรือว่าเป็นกรรมสรรนะเป็นเป็นเครื่อง อาศัยนะโดยที่เราได้ทำให้สําเ็จแล้วเพราะงั้นก็มีนัยยะของคำว่านิโรธวิมุตตินิพพานเนี่ยนัยยะมละเอียดต่างกันอยู่อย่างนีนะ้เพราะในศาสนาพุทธนี้มีโลกุตระหรือปฏิบัติอย่างประเสริฐเป็นอริยะที่สามารถที่จะทำให้พลังงานของคน ที่เมื่อมันจับตัวขึ้นมาเป็นพลังงานชีวะจนกระทั่งมีพลังงานระดับจิตวิญญาณนะเมื่อเป็นพลังงานระดับจิตวิญญาณแล้วมันก็จะวนเวียนอยู่ในโลกเนี่ย แ, แรกๆ ก, ก็จะเป็นพลังงานจิตวิญญาณอย่างปุตชนอย่างโลกีแล้สังสมวิบากไว้เยอะจนกระทั่งสามารถมีภูมิ รู้มีความฉลาดเริ่มมีความฉลาดก็ฉลาดได้ทั้งดีได้ทั้งชั่วฉลาดโกงและฉลาดที่จะดีเสียสละก็สังสมไปตามที่ตัวเองจะเน้นจะโน้มของตนของตนกรรมจึงเป็นของตนวิบากจึงเป็นของตนและก็วนเวียนไปสร้างวิบากนั่นแหละฉลาดดีก็ได้ดี ก็ได้กุศลนั้นเป็นกุศลวิบากรองรับอาศัยถ้าไปเพลไย์พลาไม่อดทนไม่อุตสาหะไม่วิริยะภาคเพียนก็หรือว่าหลงระเริงก็ไปสร้างวิบากที่เป็นอกุศลสั่งสมพอมีอกุศลมากๆเข้าก็เข็ดก็ทุกร้อน ก็ชักจะไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นก็จึงภาคเพียนกลับมาอดทนฝึกฝนเพื่อที่จะลดในความทุกข์ความร้อนความทรมานนั้นนั้นพอลดได้ก็ดีก็ได้กุศลวิบากอีกพอได้กุศลวิบากไปนานๆๆเก็เหลิงอีกลืมลืมในสิ่งที่เคยทุกข์ลืมสิ่งที่เคยเข็ด รกรเลงอีกหลงอีกระเริงอีกก็มีอกุศลใหม่สั่งสมอกุศลไปเแล้วก็หนักเข้าหนักเข้าหนักจนเข็ดอีกวนอยู่อย่างไงเนีน่เข็ดแล้วก็หยุดเลิกฝึกฝนใหม่ภาคเพียรดีๆก็ได้ดีไปอีก ได้รับพลวิบากที่เป็นกุศลอีกได้เสวยได้อาศัยจนเหลืองอีกระเริองอีกแล้วก็ไปทําอกุศลสร้างอากุศลเสริมซ้อนกันไปอีกจนกระทั่งมีอกุศลมากลงนรกหนักไปอีกตั้งแต่ลงนรกเบาลงนรกเบาก็ไม่กลัวเท่าไหร่ดีไม่ดีก็เอาสภาวะของโลกีเนี่ยแก้ได้บางเอาลาบไปแลกเอายศไปแลกเอาสันเสริญไปแลก เอาอะไรไปแลกกันไปแลกกันมาในโลกีนี่แหละโลกีก็คือลาบยศสันเสริญโลกียสุขนะเอาแลกกันไปแลกกันมาวนเวียนอยู่อย่างนั้นน่ะเอาลาบแหลกยศเอาลาบแหลกโลกามสุขเอาลาบแหลกอัตตามานะเอายศแหลกเอาสันเสริญแลกแลกกันไปแลกกันมาวนเวียนซับซ้อนอยู่ในโลกธรรมพวกนี้แหละไม่รู้จบนั่นคือโลกี มันถ้ามาเรียนรู้ว่าถ้าเราจะไปเป็นธาตุของลากยศสันเซินโลกียสุขเนี่ยเราก็จะวนเวียนกันไม่รู้แล้วมพระพุทธเจ้าทึงมาสอนว่าไอ้โลกอย่างนี้นี่คืออิทธโลกหรืออยังโลกอยังโลกโกโลกแบบนี้เนี่ยหรือโลกีแบบนี้นี่ต้องเรียนรู้ให้ชัดเจนแล้วก็มีวิธีเลิกรสอัดสาธะไ้หลาบมาก็สุขด้ยศมาก็สุขด้สันเริญมาก็สุข เสพกามก็สุขเสพอัตตามานะก็สุขพวกเนี้ไอ้สุขๆพวกนี้มันเป็นโลกียสุขหรือกามสุขกามสุขคาลิกะสุขหลอกๆพระเจ้าท่ามาตรัตสรู้โอ้แล้วมันก็ไปหลงเมื่อมาเรียนรู้แล้วเรามาลดอัตสาถะหรือลดอร่อยลดสุขแบบลกโลกโลกีแบบนีน้มาเรียนรู้จริงๆโอ้เราได้ มาสมใจแล้วเราก็ไปลงบำเบรอปรุงเข้าไปเรามาปฏิบัติธรรมกันพวกเราเนี่ยจะเห็นได้แต่ก่อนนี้เนี่ยเราได้สิ่งแรกเปลี่ยนมาเป็นเงินเป็นทองหรือแม้ได้ยศได้ชั้นครับปูนบำเหน็จไ้อะไรต่างๆเราก็เป็นสุขรู้สึกปลื้มยินดีปรีดา แต่สั่นเริญเยืนยอยกย่องปลื้มยินดีปีดาอาการฟูใจอาการเป็นสุขเคยเป็นกันทุกคนนะ่ไม่ละเว้นให้โง่ขนาดไหนก็เป็นเกิดอาการพวกนี้แล้วเราก็เสพก็ติดกันมาพอไม่ได้หรือพร่องไปหรือถูกแย่งไปบ้างเสื่อมไปบ้างเสื่อมลาบเสื่อมยศเสื่อมสั่นเซิญก็ทุกข์ ือไม่ได้เสพกามดังที่ต้องการไม่ได้เสพดังที่ใจต้องการเป็นอัตตามานะทุกไอ้ที่ไม่ได้สมใจไม่ได้บำเรอตนเองไม่ได้ดังใจนั่นแหละทั้งหมดน่ะไม่ได้ดังใจใจนั่นก็คืออุปทานมันฝังอยู่ในใจมันฝังไว้มันยึดไว้แล้วมันสมมติไว้แล้วแล้วลมันก็ติดหลงสมมตินั่นนะแล้วไม่ได้เรียนรู้อะไร ไม่เรียนรู้สิ่งที่เป็นสัจจะพวกนี้มันก็ออกทำงานอยู่เรื่อยจนกระทั่งเรามาลองมาเรียนรู้แล้วฝึกขัดลดดูเออดีว่างเบาแล้วก็มีการดารงชีวิตยอยู่ได้อย่างอบอุ่นนี่อย่างเราไม่ต้องมันนั่งแย่งงลาบกันทำได้ก็ออกมาใครจะจัดสรรเนื่องลาบที่ได้ลาบคือผลแห่งการสร้างลาบคือผลในการสร้า ง, าารรางเราสร้างเองเราก็มีสิทธิในลาบนั้น เรวช่วยกันสร้างก็เป็นสิทธิร่วมกันแล้วก็เอามารวมกันแล้วก็ใช้สอยลาบนั้นอาศัยกินใช้เสร็จแล้วก็แบ่งแจกในที่เราดำเนินชีวิตกันอยู่เนี่ยเมื่อเราไม่ยึดมาเป็นของเราเราเข้าใจระบบวิธีอย่างที่เราเป็นกันอยู่เนี่ยเอามารวมกันไม่ต้องเป็นของเราหรอกเราก็ง่ายขึ้น แล้วก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นเป็นประโยชน์คุณค่าต่อมวลมนุษยชาติขึ้นเป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์นชนที่แท้ จ, จริงนี่เราที่เรามาทำเราก็คลายใจเห็นว่าเออจริงด้วยเราไม่จำเป็นจะต้องยึดมาเป็นของเราก็ได้ไม่ว่าลาบไม่ว่ายดไม่ว่าสัตเสริญเพราะเราลดการเสพกามลดการเสพอัตตามาณะ หรือแม้แต่ในการเสพสมในเรื่องของได้ลาบมาก็เป็นสุขเราก็ได้ลองได้ฝึกเออจะเห็นได้ว่าเมื่อเรามาฝึกเข้ามากเราจะเห็นได้ว่าเออมาทาเสร็จแล้วมันก็เกิดผลเรียกว่าลากเกิดผลแห่งการปฏิบัติเป็นลาพธรรมิกาเป็นลาบโดยทมเสร็จแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าเราไม่ดู ด, ดึงมาเป็นของเราแบ่งแจกไปง่ายถ้ายิงอยู่ในระบบของเราทาเสร็จแล้วก็ เอาไปรวมๆกันจ่ายแจกสัพพัดโดยวิธีพานิ์หรือโดยวิธีบริจาควิธีทานก็ตามใจเราก็จะเห็นได้ว่าจิตใจของเราไม่ดูดดึงจิตใจของเราไม่มีไม่มีความยึดเป็นเราเป็นของเราที่อาตมาผูนในตรวจสอบใจตัวเองกันดู ตรวจสอบดูกันเมื่อก่อนนี้เราเป็นเจ้าของแรงงานเราเป็นเจ้าของผลผลิตมันรู้สึกว่ามันห่วงแหนว่ามันของค่าถ้าใครจะเอาไปแล้วต้องซื้อต้องหาต้องแลกเปลี่ยน เ, เ, เ, เ, เ, เ, เ, เงินตรุษธรัมบัติเนี่ยมันเป็นตัวกลางมันเป็นแก้วสารพัดนึกเหลือเกินยิ่งใหญ่เหลือเกินเป็นของทดแทนเป็นตัวแทนค่าเป็นกระดาษแทนค่า ถ้าจะเอาไปแล้วต้องเอามาแลกถ้าไม่มีเงิ น, นเอาเพชรเอาพลอยอัญมณีขอมีค่าไปแลกเปลี่ยนได้อีกก็ได้นะแต่ก็ไม่ค่อยจะทํำกันเท่าไหร่หรอกมันตีราคามันลบบวกหกัหกหัค่ายากก็เอาตัวเลขของธนบัตรนี่แหละมาเป็นตัวแลกตีราคาตีค่ากันเอาไว้ทุกวันนี้ก็รู้กันทั่วโลกใช้กันทั่วโลกมีธนบัตรประจําประเทศมีประจํากลุ่ม แม้แต่ในประเทศเดียวยังมีตัวเงินแทรกซ้อนอยู่ก็มีบางประเทศอย่างประเทศไทยกดชุมก็พยายามทําขึ้นเนี่โดนเบรกละไม่ให้ทํากดชุมก็ ท, ทําธนบัตรส่วนของตัวเองขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นก็จะได้พวกนี้แหละยึดถือกันไปของข้าแล้วก็หอบไว้เราสร้างอะไรขึ้นมาให้เข้าไปเสร็จแล้วเราก็หอบเอากระดาษนั้นมากองไว้ที่เรา ตายแล้วไอ้กระดาษที่ได้ในบางทีมีตั้งเป็นหลายแสนล้านนะไม่รู้ว่าไอ้กระดาษกองนั้นเนี่ยเอามาทําเชื้อเพลิงเผาตัวเองจะเผาเก่งหรือเปล่าไม่รู้เลยล้นล้านลอยล้านลอยล้านเอาละพูดไปแค่เท่านั้นนะลองลอ ง, ลองคิดเล่นๆไปเท่านั้นเองคงไม่มีใครอุตริธรรมหรอกที่อธิบายไปเพื่อกระชี้เห็นว่ามันไม่มีอะไรคุณสร้างอะไรขึ้นมาเป็นวัตถุ เป็นผลผลิตแล้วเสร็จแล้วเอาไปใช้ไปสอยเอาไปกินไปอยู่เอาไปอาศัยในชีวิตไอสิ่งที่เป็นสาระเป็นปัใจจัยแห่งชีวิตมันก็เป็นคุณค่าไปบางอย่างก็เป็นองค์ประกอบของชีวิตไปเท่านั้นบางทีก็เป็นเครื่องทุนแรงได้เป็นเครื่องอาศัยได้หลายอย่างเป็นเครื่องประดับโกโก้เก๋ๆไปอย่างนั้นเองนิยมชมชื่นยกย่องกันไปเท่านั้นบางอย่างก็เป็นประโยชน์ในทางจิตวิทยา หลายอย่างที่มากที่สุดมากกว่าสาระที่สร้างกับปรุงแต่งกันออกมาแล้วก็ผลิตเป็นวัตถุเป็นอะไรออกมามากไม่ได้มีประโยชน์อะไรเอามาขวางบ้านขวางเรือนเอามาหนักตัวเองเอามาทำอะไรก็ไม่รู้อย่างตุ่มหูบางทีใส่เข้าไปนกันกหนักและย้อใหญ่ จะ้วก็คว้างหูอยู่ น, นี่ยแหละดีไม่ดีก็หูฉี่หูชิงอะไรก็ไม่รู้ทไม่รู้ว่ามันเกิดประโยชน์อะไรอรรมาก็ไม่รู้เขาว่าหูเบาก็เลยเอาสิ่งมาถ่วงหูให้มันหนักเหรอมันก็ไม่ใช่คนหูเบาก็เลยเอาอะไรมาถ่วงหูให้มันหนักอย่างงี้เป็นต้น มันไม่ได้เกิดแล้วก็สมมุติกันว่าสวยสมมุติกันว่าหน้าดูอะไรอะไรต่างๆนานามันก็สมมุติกันไปก็โล่งกันไปเห็นไปนะอะไรก็แล้วแต่เอามาประดับตรงนั้นเอามาใส่ตรงนี้เอามายังง่นยางนี้อะไรบ่ามันสวยมันงามมันยังง่นยางงี้ถ้าอะไรที่มันดูทำให้เป็นสิ่งที่เกิดความหมายที่เป็นคุณค่าแก่ชีวิต แก่สังคมบ้างก็ยังดีอันนี้มันก็ไม่ได้เป็นคุณค่าอะไรมันจะไปบําเรอกามใชมากกว่ายั่วยวนกามใะมากกว่าดูสวยดูงามดูให้เกิดการปฏิพัตพอใจชอบใจดึงดูดจะได้เธอมาสุดท้ายก็เอาเธอมาทําอะไรนะเอามาใช้งานเอามาบําเรอกามบมาําเรอความใคร่ โดยสัจจะและผู้หญิงผู้ชายเนี่เอาเธอมาเป็นแม่ของลูกเพื่อจะต่อพันต่อพืชนั่นก็เป็นเนื้อแท้ผู้หญิงผู้ชายทีนี้มาอยู่ร่วมกันแล้วก็มาทํางานอาศัยกันไปแบ่งหน้าที่แม่บ้านก็ทํางานทางบ้านพ่อบ้านก็ไปทํางานอีกชนิดหนึ่งอะไรไปเท่านั้นเองมาอยู่ร่วมกันก็ช่อกันทํางานสร้างสรรค์มีลูกมาก็เลี้ยงลูกไปให้ลูกสืบทอดเป็นมนุษย์อยู่ในโลก แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่สืบพันธ์มันหลงรถกามเสพสัมผัสเสียดสีเป็นการเป็นอารมณ์เป็นหลงว่าเป็นสุขก็เสพรถเฉยๆสัมผัสเสียสดสยีจนกระทั่งวิถฐานไม่ใช่สืบพันธ์กลายเป็นเพศวิถีฐานก็ผู้ชายต่อผู้ชายผู้หญิงต่อผู้หญิงมันมันไม่ได้เกิดการสัมสพันธ์สืบพันธ์ไม่ได้เอาไข่เอาเชื้ออะไรผสมอะไรหรอกมันก็สัมผัสเสียดสี้วย วิถฐานแปลกๆอะไรพิลึกพิลือไปก็เลยมีแต่อารมณ์กามวิถฐานกันไปทั่วโลกจนกระทั่งดินร้นแล้วเขาไปเรียนรู้ดินร้นจะต้องให้คนรับสิ่งหน้าอายนะก็รู้ว่าน้าอายแต่กระทั่งดินรนจนกระทั่งทุกวัน น, นี้พยายามจะต้องให้โลกยอมรับเปิดเผยอะไรต่รตตางๆนะนะก็บาบะบอหว่ากันไป ทีนี้ทางพระพุทธเจ้าในตรัสรู้เรื่องเหล่านี้กันมาเห็นว่าโอ้มันเป็นอารมณ์ที่เขาสมมุติขึ้นแท้ๆเมืนั้นเรามาเรียนรู้จนกระทั่งลดอัตตาลด ร, รถอร่อยไม่ว่าจะเป็นรถการรถสมใจในอัตตามานะตามที่จิตต้ตองการจะต้องได้อย่างนี้เป็นอย่างนี้สมใจนี้จะสร้างวิมานนี้ต้องมีวิมานนี้ได้เกิดขึ้นมาตามใจตามรูปตามเรื่องอะไรก็แล้วแต่นั่นเรียกว่าสมอัตตาหรือสมานะเป็นรูป เป็นรูปไม่ใช่ไม่ใช่การมาไม่ใช่ไม่ใช่กามาพบแต่เป็นรูปประพบนะเป็นรูปปรพบอีกทีหนึง่งปั่นรูปขึ้นมาสมมุติขึ้นมาซึ่งจะไปสมมุติอะไรขึ้นมาก็ได้เสร็จแล้วเราได้สมใจอย่างนั้นก็สุขนะเรียกว่าสมอัตตาตั้งแต่อราริกอัตตา แต่ยึดวันนี้เป็นเราเป็นของเราทั้งๆที่อยู่นอกตัวทองเป็นของเราเงินเป็นของเราที่ดินเป็นของเราบ้านเป็นของเรารถเป็นของเราเบ็ดถุเป็นอราริกาัตตาจนกระทั่งถึงเนื้อหนังมังสาเนี่เป็นของเราเป็นวัตถุรูปเป็นมหาภูธรูปเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้เรียกว่าอรริกอัตตาทั้งนั้น ยึดเป็นมโนมยอัตตาปั้นสมมติวิมานอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากเป็นเทวดาอยากเป็นความมีลักษณะเป็นอาการนามความอยากมีความสวยอยากมีความงามอยากมีความเก่งอยากมีความเลิศอยากมีความสันเสริญอยากมีวิมานเจชั้นอยากมีได้ตาแหน่ง จะนางงามอยากได้ตำแหน่งนายกอยากได้ตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่พอได้สมใจก็สุขเป็นภพเป็นชาติเป็นอะไรต่างๆนะเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าถ้ามันเป็นสภาพที่ไม่มีเกี่ยวข้องกับวัตถุเลยก็เรียกว่าอารูปอรูปรอรตา ถ้าได้มาสมใจก็เป็นสุขไปถ้าไม่ได้ก็ไม่สุขนั่นแหละมโนมยัตตาคือจิตปั้นเลยแล้วเกิดเป็นอุปทานเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนสาเร็จด้ดยจิตมันไม่มีจริงเลยแต่ปั้นมันจะนเหมือนมันมีตัวตนจริงเหมือนเราสัมผัสได้ทางตาสัมผัสได้ทางหูสัมผัสได้ทางจมูกสัมผัสได้ทางลิ้นสัมผัสได้ทางกาย เหมือนเห็นรูปจริงเลยหรือแม่แต่นน่าอยู่ในพวังปั้นเป็นรูปจริงเห็นรูปเลยโอ้โหเห็นรูปใครก็แล้วแต่เหมือนของจริงแล้วหลงว่าเป็นของจริงเลยนั่นนามนงมายัตตารูปที่สำเร็จด้วยจิตจิตปั้นจิตเป็นจิตสร้างลืมตาขึ้นมาก็เห็นจริงๆมีตัวมีตนเลยเห็นเป็นรูปมาเลยทางภาษาโลกทางภาษาทางแพทยเขาบอกว่าเป็น ภาพหลอนภาพหลอกหูได้ยินเสียงจริงจริงเลยทั้งทั้งที่ไม่มีเสียงปั่นเสียงปั่นกลิ่นอูได้กลิ่นเรืนี้มีกลิ่นธูปเทียนลอยมากลิ่นดอกไม้กลิ่นอะไรมาเลยเนีเป็นกลิ่นแล้วก็บอกว่านั่นผีมาพอได้กลิ่นกลิ่นธูปผีมาอะไรคือว่ากันไปเรื่อยได้กลิ่นได้เสียงได้รสทางลิ้นไม่ค่จะมีอะไรเท่าไหร่แต่สัมผัสก็มี สัมผัสจริงเลยโอ้นี่แต่ต้องมีตัวมีตนขนลุกเลยมีร้อนมีเย็นมีอ่อนมีแข็งสัมผัสถึงสัมผัสเป็นตัวเป็นตนเห็นด้วยรูปได้ยินเสียงเป็นตัวเป็นตนครบครันเป็นเสพมาเป็นนางไม้นางตานีนางอะไรแล้วแต่หรือเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นตัวเป็นตนมีจริงมีจัง เป็นตัวตนมีจังผู้หญิงก็เห็นเป็นผู้ชายอาตมาไม่รู้ไปจะเป็นผู้ชายในลักษณะไหนนิทานจะมีเล่าอย่างไรก็ไม่เข้าใจแต่อาตมาตั้งแต่สมัยเป็นคารวาสเล่นไสยศาสตร์อยู่เคยรักษาผู้หญิงที่เขามีนี่แหละเขามีตัวตนเหมืงจริงๆเลยแล้วก็เห็นว่าเป็นพระพรหมด้วยคือมันสมมติเอาเองพระพรหมขี่หมาอะไรกันมาเสพกามพระพรหมเลยเขาทำไปเสพกามเขาบอกว่าคนนี้เขาเป็นพรหม้วย ยังมาทิ้งสู่อยู่ด้วยแม่เป็นรูปร่างคุยกันกระจุงกระจิง้งเสพสุขกันไปเด็กผู้หญิงอายุ17ตอนนั้นพ่อแม่ก็พามาให้อัตมารักษาอัตมาก็ต้องโอ้โหตอนนั้นต้องทรงพระพรมใหญ่มาเหยียบอกพระพรมที่เขาเองเขามาเป็นคู่คนเนี้ แสดงฤทธิ์แสดงเดช ท, ทั้งจิตวิทยาจนสุดท้ายเขาก็กลัวเขายังเคยมาหาเลยนะที่สันติอโศกมาถือว่าจำหนูได้ไหมอายุป่าก็ไปเกือบ5้าล้วบอกจำหนูได้ไหมไอ้ตอนนั้นเจอกัน17แล้วใครมันจะจำได้ <c oughs> ตอนที่มาให้รักษานะอายุ17เรียนอยู่มเจ็มา8ด มหาธิอัตมาี่สันติอโสบอกว่าแสดงตัวบอกว่าคนนั้นคนนั้นเกือบจะ50สบแล้วอัตมาก็จำไม่ได้นี่เป็นเป็นเรื่องที่อัตมาก็เคยมีประสบการณ์มีสิ่งที่ผ่านมาแต่รักษาเขาก็หายรักษารายนั้ น, นอัตมา ร, รักษาให้ก็หายเป็นเรื่องจิตจิตวิทยา สิ่งเหล่านี้เป็นมโนโมยอัตตาจนกระทั่งปั้นสิ่งที่ไม่มีจริงหรอกพอราะรสอร่อยนี่มันยิ่งปั้นง่ายเป็นหลงง่ายสมมุติฮ อ, อร่อยกินปลาแดกเหม็นจะตายกับว่าอร่อยแล้วไ ม, ม่มีรสอะไรยต่างหา ก, กลิ่นรสของปลาแดกก็คือปลาแดกกลิ่นพริกรสพริกก็คือพริกมันก็เป็นตามธรรมชาติของมันแต่อรรถอร่อยมันอีกต่างหากนะคนไม่ชอบคนไม่ต้องกันรสนิยมไม่อร่อย คนต้องสรสยมถูกหลอกมาเชื่อตามเขาอร่อยฝรั่งมาติดปลาแดกก็มีแต่อยู่ในบ้านในเมืองเขาไม่เคยสมมุติกันเขาก็บอกของเน่าพอมาเมืองไทยมาเจอเอาของเน่าให้กินติดของเน่ากินปลาแดกอร่อยก็มีนี่นัน่นแหะคืออุปทานรสอร่อยต่างหากรสของธรรมชาติต่งางแยกให้ออกเ น, นี่ยแยกให้ออก มันต่างกันคนสดน้ำร้อนว่าชื่นใจนะในซดน้ำร้อนว่าโอโชื่นใจสดน้ำแข็งมันแข็งมันเย็นสดน้ำแข็งมันเย็นอ้ชื่นใจมันเย็นทุกวันนี้อาตมาดื่มน้ำแข็งก็แย่น้ำร้อนที่ร้อนเกินก็แย่ถ้าร้อนพออุ่นๆมันก็พอสดได้ถ้าเย็นก็เย็นจนน้ำแข็งมาแย่เหมือนกันมันก็เป็นธรรมชาติของมัน เราไฝึกเราไม่ฝึกทนแล้วไม่มีอุปทานเข้าไปแล้วมันแต่พี่อุปทานว่ามันอร่อยคนที่สดน้ำร้อนยิง่งร้อนเท่าไรยิ่งอร่อยดีมันก็ฝึกร้อนเนี่ยคนจีนโอ้โหสดน้ำร้อนลวกปากเลยแล้ว ก, ก็สามารถที่จะมีฤทธิ์พิเศษอีกต่างหากเลยกลบความร้อนทนได้ไม่พองถ้าคนธรรมดาไปสดขนาดนั้นพองผาปากพองแต่เขาไม่พองและแถมยังมีรสอร่อยอีกต่างหาก รสอร่อยกับรสจริงก็ต่างกันรูปรูปจริงกับความสุขกับความชอบบำเรอใจเป็นอัสาทะก็ต่างกันดอกไม้สีแดงอ่าแดงก็คือแดงและดอกมันจะมีฟอร์มมึงมันยังไงกรีบดอกเป็นยังไงนี้มันก็เป็นของมันคนชอบลักษณะนี้ก็ว่าสวยโอ้โหได้มาชื่นใจได้ของสวย แรงรถชื่นใจสวยอร่อยใจนั่นน่นเป็นอัสาธะแต่อสวยที่มันมันจะเรียกว่าสวยหรือไม่สวยมันก็เป็นทรงอย่างนั้นนะคุณสมมติอย่างนี้สวยคุณชอบอย่างนี้แบบอย่างนี้คุณก็ว่าสวยบางคนก็ว่าไม่สวยก็แล้วแต่แต่มันก็เป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นนะดอกอันนี้ก็เป็นอย่างนี้กลิ่นมันก็เป็นกลิ่นของมันนี่ถ้าเราวิเคราะห์ออกเรารู้อัสาธะ แยกอัจาริยะออกได้แล้วก็ล้างกิเลสเหตุความหลงเหตุไปความไปติดสมมุติเหตุไปยึดไปถือเป็นอุปาทานแล้วก็ไปหลงติดอยู่จกระทั่งล้างเกลี้ยงแล้วก็จนกระทั่งว่างไม่ต้องมีอัจฉระไม่ต้องมีรถอร่อยใครอ่านรถอร่อยที่มันหมดแต่ก่อนเคยมีตอนนี้เราล้างหมดได้นั่นแหละคนนั้นรู้จักจิตว่าง รู้จักความว่างรู้จักความหมดรู้จักสุญญตารู้จักความดับดับอัสาธะอย่างนี้แหละดับสุขดับทุกข์จึงเรียกว่าอุเบกขาทาอุเบกขาให้เป็นอากาสานันจายตนะอากาสาเนี่ยก็คือมันก็ว่างยิ่งกว่าอุเบกขาปฏิบัติไปแล้วจะเห็นว่าอืมเรา อุเบกขาก็เป็นสภาพว่างไม่ทุกข์ไปสุขขนาดหนึ่งแล้วก็ให้ไม่สุขทุกไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขที่ว่างเนียนขึ้นไปอีกเสร็จแล้กวก็อ่านอ๋อจิตมันว่างเป็นอย่างงี้แล้วว่าวิญญาณนัญจายตนะวิญญาณนัญจายตนะอ๋อจิตเองนี่นะว่างอาการว่างในจิตวิญญาณัญจายตนะมีอาการสาตรวจอีกมันจะมีอะไรที่เหลือไหมอกินจัญญาเจตนะ ไม่ให้มีอะไรเป็นเศษเป็นทุลีมีอะไรที่ยังมีเล็กมีนอ้อยมีอาการมีอารมณ์มีอะไรที่ยังเป็นโลกีอยู่ตรวจอีกอากิจจัญญายตนะมิตหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มีเมื่อไม่มีแล้วต้องรู้ให้ชัดวันนี้คือความสมบูรณ์เนวสัญญานาสัญญาต้องพน้นเนวสัญญานาสัญญาแปลว่าเจ้าวาใช่ก็ไม่ใช่เจ้าวาไม่ใช่ก็ใช่อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนวสัญญาเจ้าวากําหนดรู้อย่างนี้ก็ จะว่ากำหนดรู้ก็ไม่ใช่จะว่าไม่กำหนดรู้ก็ไม่ใช่ไม่ได้กำหนดรู้สัญญาให้ชัดเจนสัญญาเวทยิตังนิโรธังโหติสัญญาเวทยิตตังสัญญากำหนดรู้ให้รู้หมดในอารมณ์เวทยิตังแปลว่าเค้าเคลียอารมณ์เค้าเคลียอารมณ์กำหนดรู้ตัวสัญญาเจตสิกของเราทำงาน ให้จนหมดให้รู้ว่ามันนิโรธแน่นะสัญญาเวทยิตตังนิโรธโตังโหติเกิดนิโรธชัดแล้วนะนิโรธสมบูรณ์แล้วนะนิโรธสุดยอดแล้วนะว่างก็ว่างจริงแล้วนะจิตวิญญาณเป็นอย่างไรก็ชัดเจนแล้วนะมีอะไรเหลือเศษหรือไม่หรือเอาให้ไม่มีอกินจัญญาจตนะนิดหนึ่งน้อยหนึ่งไม่มีไม่มีแล้วนะเศษทุลีละอองอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราต้องการให้ไม่มีมันก็ไม่มีอย่าง สนิทลนะสัญญากำหนดรู้เพราะฉะนั้นเนวัสัญญานาสัญญายตนะคือทำให้รู้ให้พน้นพ้นเป็นสัญญาเวทยิตาเนโรธให้พ้นเนวัสัญญานาสัญญายตนะเป็นสัญญาเวทยิตาเนโรธให้ได้เพราะฉะนั้นอันหนึ่งก็คือสิ่งที่ถูกรู้อันหนึ่งก็คือสิ่งที่รู้ สัญญาเวทิจตนิโรธก็คือสิ่งที่เป็นญาณสุดท้ายเป็นวิชาสุดท้ายเป็นยอดแห่งความรู้สุดท้ายที่รู้สิ่งที่เราจะต้องรู้ในจิตของเราว่าอันนี้คือพลังงานจิตที่วิเศษสุดเพราะฉะนั้นเนวสัญญาณนาะสัญญายตนะกับสัญญาเ ว, เวทยิจตนิโรธจึงเป็นอายตนะสองอันสุดท้าย ใครอ่านหนังสือ EQ โลกุตระจบเร่มแล้วมั่งอ่านจบแล้วผ่านไหมอายตนะสองเนี่ยเข้าใจไหมหรือว่าผ่านไปแล้วลืมแล้วแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องอ อ่าแล้วก็อาตมาหยิบมาอธิบายขยายความในหนังสือนั้นไว้เหมือนกันเพราะว่าอยู่ในพระตรรมปกอยู่ในคําตรัสพระเจ้าท่านตรัสสุดท้ายว่าถึงสัญญาไว้ทีตนโรดแล้วก็เหลืออายตนะสองนี่แหละนี่อายตนะสุดท้ายอายตนะสองเพราะนั้นพระ อ, อริยเจ้าพระอราหันต์เจ้าจะรู้จักอายตนะสองนี้สามัญก็มีอายตนะหกอายตนะก็คือจุดเชื่อมจุดต่อกันอยู่ทํางานอยู่ระหว่างพลังงาน พลังงานจิตวิญญาณเนี่ยทำงานเชื่อมต่อทางตาหูจมกูกดินกายใจนี่เรื่อว่าอายตนะหกแล้วก็เข้าไปจนกระทั่งถึงความเป็นฌานอรูปฌานอากาสานัญญาอยตนะก็เป็นอายตนะวิญญาณัญจาอายตนะก็เป็นอายตนะอากิญญาัญญาอายตนะก็เป็นอาอายตนะ ต่อายตนะก็คือความเชื่อมต่อให้รู้ว่าอันนั้นคืออย่างนั้นอากาสาคืออย่างนี้วิญญาณญจาคืออย่างนี้อากิจัญญาคืออย่างนี้เนวัตัญญานาสัญญาคืออย่างนี้แล้วเราต้องพ้นความเป็นเนวัตัญญานาสจะว่ารู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่จะว่าสัญญากําหนดรู้ก็ไม่ใช่สัญญาจะไม่กําหนดรู้ก็ไม่ใช่ไม่ได้ต้องใช้สัญญากําหนดรู้ให้รู้จนหมดให้รู้จนสมบูรณ์ให้รู้จนครบคันทุกอย่าง อย่ว่าสัญญาเวทิจตานิโรธเป็นวิชาของพุทธเท่านั้นสัญญาเวทิจตานิโรธไม่มีในาศาสนาไหนแม้จะเขาก็จะมีฌานกันมาเก่ารูปฌานอรูปฌานเขาก็เรียนรู้กันมาแบบโลกีอาตมาแบ่งฌานโลกีฌานโลกุตระเอาไว้ในหนังสืออีคิวโลกุตระกับวิจัยวิเคราะห์ไว้ให้ชัดพอสมควรแล้วละ่ะอาจจะได้เขียนใหม่ได้รับอธิบายให้มันชัดยิ่งกว่านั้นอีกก็แล้วแต่ ในอนาคตอาจจะมีเวลาได้เขียนเพิ่มเติมขยายความอีกก็ได้แต่คราวนี้ก็อธิบายไว้พอสมควรแล้วที่อธิบายเอาคำภาษาธรรมะลึกๆภาษาธรรมะอย่างสำคัญพวกนี้มาพูดให้ฟังก็เพว่จะต้องได้เรียนรู้ว่ า, าศาสนาพุทธนี้มีการเรียนรู้เป็นวิชาการที่ลึกซึ้งสุดยอดถ้าเข้าใจทั้งภาษาเข้าใจทั้งสภาวะ ที่เราปฏิบัติแล้วเกิดจริงเป็นจริงปฏิบัติจนถึงสภาพนั้นจริงมีภูมิธรรมมีความสามารถได้ถึงจริงก็สมบูรณ์เมื่อเราสามารถลดละได้ทุกวันนี้อโศเราสามารถลดละมาได้พอสมควรมีความเป็นจริงอาตมาพูดซ้ำรากหลายทีแล้วอาตมาไม่เชื่อว่าคุณมามาหลอกอาตมาอาตมาไม่เชื่อว่าพวกคุณมาหลอกเพราะคุณมาจริงแล้วก็มา ทดสอบมาพิสูจน์มาปฏิบัติตามที่อาตมาเข้าใจไปอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าสอนเราอย่างนี้เอาไปปฏิบัติอย่างนี้ดูแลปฏิบัติไปแล้วคุณก็เป็นได้จริงก็อยู่เย็นเป็นสุขกันมาก็เห็นโดยความจริงของปัญญาของเราเจโตหรือจิตของเรามันจะว่างจะเบาจะปลดจะปล่อยจะเป็นวูปัสโมโสุขสุขอย่างไม่ต้องไปสแสวงหาอัศทะมาเสพไม่ต้องเอาอยัางไงมาบังเบลวางได้และปล่อยได้แล้วหลายๆอย่าง อะไรที่ยังเหลืออยู่เราก็รู้ว่าเอออันนี้เราจะต้องล้างต่อทำลายต่อทำให้มันหมดไปให้ได้อะไรที่มันหมดไปแล้วคุณไม่ได้เสียดายสิ่งที่หมดไปโอ้เสียดายจังเลยแม่แต่ก่อนนี้กินลาบกินก้อยกินไก่ย่างมันอร่อยโอ้โหตอนนี้มาถูกล้างสมองรสอร่อยพวกนี้หายไปโอ้เสียดายจังเลยอยากจะกลับไปเลยมันมีมัางไหม อยากจะกลับไปได้อะไรอร่อยอย่างเก่าแม่เสียดายมาเจ อ, อพระโพธิรัตทำไหมแม่ของดีๆของเราแต่ก่อนนี้เราเคยอร่อยกินก็อร่อยเจอมันก็โอ้หูอยากได้อยากสมอยากกินก็อร่อยแม่ตอนนี้เรากลายเป็นจืดชืดกลายเป็นเฉยๆกลายเป็นไม่มีความสุขกับมันแล้วเสียดายจังเลยอยากจะกลับไปมียังเก่ามีบ้างไหม แต่ก่อนนี่โอ้โหอยากได้เงินหลายล้านอยากได้เงินล้านอยากได้เป็นเศรษฐีหลายๆล้านเดี๋ยวนี้ใจไม่ได้อยากได้หลายๆล้านไม่ไากเอานะมีก็ใช้ไม่มีก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรมีก็ใช้เป็นประโยชน์อะไรตะไรไปจนกระทั่งยิ่งเห็นเลยว่าถ้ามีแล้วมันยิ่งเป็นภาระนะ้เงินเนี่ยมันมาเอามา ปะปะไปดนี้เดินไประเดียดถูกคนมันกระชากถูกคนมันเดีนี้มันยิ่งเป็นภัยนะยิ่งรักษาก็ลาบากจะไม่รักษาไปทิ้ททงๆคว้างๆโยนไว้ตรงนั้นตรงนี้มันก็ไม่ได้ถ้ามีแล้วก็ต้องดูแลรักษาอะเดี๋ยวคนนั้นคนนี้มาหยิบไปมาอะไรอะไรไปมันก็ะสูญเสียสูนหายไปแล้วมันก็ไม่เข้าท่าไม่มีซะดีกว่าว่างเบาดีมันก็เข้าใจแล้วมันก็วางก็ปล่อย ไม่อยากว่าสะสมอะไรไม่ายมีความจําเป็นก็ใช้ไปบ้างอาศัยมันไปบ้างเล็กเล็กน้อยๆมีน้อยน้อยก็อพอไม่ต้องแบกต้องหาไม่ต้องหอบต้องหิ้วอะไรเยอะแยะเกินการมันจะรู้สึกมันมักน้อยสันโดษว่างเบาขึ้นมาจริงจริงจริงจริงเนี่ยเจตามา พ, พูดไปเนี่ยตรวจสอบตัวเองดูสิเสร็จแล้วเราก็เป็นคนเข้าใจโลกีเข้าใจโลกเรามีความขยันหมั่นเพียรเราเป็นคนดี เราเป็นคนะเสริฐสร้างสรค์มีสมรรถนะทำแล้วก็เผื่อแผ่เกือ้อกูลคนอื่นเราก็เป็นคนมีคุณค่าเราก็เป็นคนมีประโยชน์ต่อผู้อื่นอยู่ไม่หนักแผ่นดินมีคุณค่ามากถ้าเรายังจะอยู่ในวัฏฏสงสารนี้ไปอีกสิ่งนี้ก็เป็นกุศลวิบากของเราเป็นกรรมสกตาเป็นกุศลวิบากได้อาศัยเป็นกรรมปฏิสนโนเป็น สิ่งที่เรามีเองเป็นเองเพราะเราทําเองเราเป็นทายาทเราเป็นผู้รับมรดกของเราเองเราได้อาศัยเองนําพาเราเกิดนําพาเราเป็นเชื้อเป็นพันุ์ไปต่อไปเป็นกรรมพันธุกรรมปฏิสระโนเป็นกรรมโยนิอะไรไปเรื่อยนี่เป็นคําสองรู้จ่าแล้วเราก็พิสูจน์เพราะเรายิ่งมีกุศลมากมันก็เป็นเครื่องอาศัยไม่ต้องไปสะสมไม่ต้องไปห่อเหมือนวัตถุนี่นี่ต้องไปลาบากลาบนเหมือนวัตถุ เพราะพวกนี้เป็นอริยสสมบัติสังสมอริยสสมบัติมันจริงโอ้ไปไหนไตายข้ามชาแล้วยังไปกับเราเลยวัตถุสมบัติมันจะไปกับเราที่ไหนแบกคนหนักรักษากลำบากโจนปล้นก็ได้น้ำท่วมก็เสียหายไฟไหม้ก็สูญ อ, อริยสสมบัติเนี่ ไฟไหมก็ไหมเป็นไรน้ําท่วมก็ไหมเป็นไรโจรก็ปล้นไหมได้แถมเราอยากแบ่งให้คนอื่นยังแบ่งไม่ออกด้วยซ้าไปมันเป็นกุศลแทนของเราให้เขามาควักมาล่วงเอายังไรมันยังไม่ได้เลยนอกจากเราจะบอกสอนให้คุณปฏิบัติได้เองบอกเขาสอนเขาปฏิบัติตามเขาก็ทําได้ตามกรรมของเขาโอ้โหมันยอดอริยะสมบัตินี่มันยอดสมบัติใครมาอยากได้ก็พัวอยางมาเอา ใครไม่อยากได้ก็ไปเอ่ยไปเอาวัตถุสมบัติหรือไปเอาสมบัติอะไรนกเชิญแต่ถ้าใครเห็นว่าสมบัตินี้ดีและเชื่อว่าเป็นจริงก็เอาพระพุทธเจ้าเราหลอกเราไหมฮะท่านเอาอริยสมบัติหรือเอาวัตถุสมบัติเอาโลกียาสมบัติท่านเอาอริยสมบัติเอาโลกุตระสมบัติท่านไม่เอาโลกียะสมบัติ โลกียสสมบัติก็หลาบยอดสันเซนโลกียสุขดูวัตถุสมบัตินี่แหละทั้งก็ไม่เอาแล้วไม่เอานี่แหละมันแปลกยิ่งไม่เอานี่ระยิ่งมียิ่งไม่เอานี่เรายิ่งมีงมงมคุณทําคุณงามความดีเป็นผู้มีคุณค่าประโยชน์ต่อเพื่อนต่อฟูงต่อสังคมโดยให้โดยเกื้อกูลโดยช่วยเหลือเขาเราให้เขา เดี๋ยวเวลาคุณขาดแคลนคุณจะต้องจําเป็นต้องใช้เขาก็เอามาทดแทนเอามาให้คุณเองถ้าเขาเห็นโอ้คนคนี้ต้องช่วยเหลือกเกื้อกูลคนคนนี้เนี่ยได้ช่วยเรามากระตันยุกตเวทีมันมีคนรู้คุณรู้ค่าของคนแล้วเขาก็เอามาให้นี่ไปสู่ปัจจุบันไปในอนาคตได้ชาติหน้ามันก็มีบา ร, รมีที่มันคิดไม่ออก พระฉะนั้พุทธเจ้าถึงบอกว่าถ้าไปทําบุญกับคนที่ยังเป็นพระอริยสูงสูงยิ่งไปทํานาบุญที่งอกงามที่บริสุาาทธิ์สะอาดยิ่งดีก็บุญกุศลมันก็ซ้อนมีราคาของบุญแพงทํากับพรุทธเจ้าก็ยิ่งแพงได้ราคาบุญแพงถ้าแต่ถึงเงินร้อยหนึ่งเท่ากันทํากับพรุทธเจ้าโอ้โหมึงงอกบุญมากกว่าทํากับพระอนาคามีทางกับพระอรหันต์ก็งอกทำกับพระอนาคามีเราจเป็นลําดับลาดับอย่างที่เราก็เคยรู้มาแล้ว แต่ก็ไม่ต้องไปตะ ก, กละตะกร้าจะทําแต่กับพ ร, พระพุทธเจ้าล่ะพุทธเจ้ายังอธิบายตีกลับแล้วโดยไม่ไปยึดบุคคลเห็นความจริงตามสัจจะถ้าคนนั้นคนนี้เดือดร้อนแม้แต่เนนน้อยเดือดร้อนที่เป็นสาวกของพระเจ้าทําทานกับเขาช่วยเขาเกือ้อกูลเขาเป็นกุศลสูงก็ถวายพระพุทธเจ้าอีกโดยไม่กําหนดบุคคลเป็นสังฆทานสังฆทานที่เป็น ยิ่งเป็นสังฆวิหารทานก็ยิ่งดีงนี้เป็นต้นนะสนะิ่งเหล่านี้เราศึกษาแล้วเราก็พิสูจน์ปฏิบัติพิสูจน์ยิ่งเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นบุคคลมีวัฒนธรรมมีพฤติกรรมมีกิจกรรมมีพิธีกรรมอย่างที่เราเป็นกันอยู่เนี่ยกรรมก็เป็นกรรมที่สอดคล้อง กรรมที่เป็นประโยชน์แม้แต่กิจกรรมหรือกิจการที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มีกิจการมีกิจกรรมอะไรก็เป็นกิจกรรมกิจการอย่างระบบนี่แหละคนอย่างพวกเรานี่แหละชาวบุญนิยมเป็นอย่างเงี้ยทำกิจการอาตมาว่านี่มันจะไปสู์โลกเลยนะมันจะไปถ้ามันแข็งแรงเป็นรูปธรรมที่สมบูรณ์นี่เรามีกิจการมากขึ้นเราก็จะมีระบบวิธียิ่งเป็นสาธารณภคี เป็นบุญนิยมในระดับสูงทุกคนทํางานฟรีเป็นลาเพน่าล า, ลาพังนิชกิงสนาตาหรือบางคนอาจจะมีความจําเป็นใช้บ้างได้บ้างแบ่งกันบ้างแต่ก็มีลําดับขั้นลงมาแต่ไม่เหมือนโลกโล ก, กีที่ทุนนิยมไม่เหมือนทุนนิยมอย่างอนุโลมที่สุดนี่ขายราคาต่ำกว่าเขายัางเจตนาเรตตำได้เท่าไราเจริญมีแนวคิดอย่างนี้จริงเลยก็พยายามต่ำกว่าราคาตลาดของโลก ของสังคมแต่ตัวเองก็ยังเอาของเขาอยู่นะเกินเกินทุนอยู่มันก็ยังไม่มีบุญอะไรหรอกมันจะเป็นบาปเป็นหนี้ในบ้างในซ้าไปเท่าทุนมันก็ไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญเท่าทุนขายเท่าทุนได้แล้วก็อยู่รอดกันไปก็ดีแต่ถ้าแต่ละฐานะถ้ายิ่งมารวมๆกันแล้วมันทําได้เลยนี่ถัวเฉลี่ยแล้วนี่เราทําต่ําก็ทุนได้เพราะแรงงานของเราแต่ละคนเสียสละสร้างสรรค์ออกมาแล้วก็เสียสละได้มากกว่าคุณกินคุณใช้ พอคุณกินคุณใช้เท่านี้แต่คุณเองสร้างสรรค์มีทั้งผลผลิตแรงงานมันมากกว่าในแต่ละคนในเหลือคนละ10คนละร0 0ยคนละส0 0คนละ5 0 0คนละพ0 0คนละหพันคนละหมื่นก็แล้วแต่รวมกันแล้วมันก็เป็นก่อเป็นกรรมเป็นลดต้นทุนได้มากแจกจ่ายฟรีก็ได้เพราะมันเหลือพอที่จะแจกจ่ายฟรีฟรีก็ได้ตำก็ทุนก็ได้จริง คุณเห็นความเป็นไปได้ไหมว่าระบบสาธารณภพคีรือระบบบุญนิยมที่ว่าเนี่ยุนิยมสี่ขั้นเห็นทางเป็นไปได้ไหมแล้วทำมาแล้วอะทุกวันนี้เราก็อยู่รอดจะเห็นได้ว่าอ๋อเราตั้งราคาทุนคิดอย่างโลกเขานี่แหละแต่เสร็จแล้วเราก็ลดราคาต่ากว่าทุนได้ก็อยู่ที่ค่าแรงงานของแต่ละคนค่าคุณค่าของแต่ละคนนั่นแหละช่วยกันทางานสร้างสรรค์ไป เสร็จแล้วค่านั้นเราลดได้มากเท่าไหร่เราก็าไปเกื้อกูลโลกได้มากเท่านั้นเพราะระบบบุญนิยมเนี่ยมันจะเกิดมาเพื่อที่จะพิสูจน์กันว่าทุนนิยมนี่เขามีมานานละมันย่ําแย่แล้วทุกวันนี้มันใช้เล่ใช้เหลี่ยมเอาเปรียบเอารัดกันและคนที่ฉลาดเอาเปรียบเอารัด้ก็อยู่ไปอยู่อย่างนั้นเน่ยเขาก็นึกว่าเขาเองประสบผลสาเร็จในชีวิตตั้งตั้งตินโดยสัจจะแล้วพวกเนี่ย ในโซโรสในอะไรพวกนี้เนี่ยมันบาปกินหัวมันไม่รู้เท่าไหร่มันคิดอ่านหาวิธีใดเอเชิงเอาเปรียบเขาใช้ความคิดแล้วก็มีเชิงชั้นวิธีแลกเปลี่ยนไรขาน้นขานนี้มามันไม่ได้ทำอะไรเลยบวกลบคูณหารวิธีการให้หมุนเวียนซับซ้อนให้คนงงใจแรกมกันก็ลวงไอ้คนที่เพลิ่มเรลิปลปลไปตวงออกมาเป็นของตนของตน พวกเรียนวิธีการเงินเนี่ยพวกเขาเรียนเรียนการเงินแล้วก็มุนการเงินพวกนี้พวกนี้บาป ก, กินหัวมากมายเลยมันคิดวิธีไม่ได้มีรแรงงานอะไรหรอกเอาความเฉลียวฉลาดความคิดนี่มาซ้อนเชิงซ้อนกลแล้วก็มุนเงินมาเข้ากระเป๋าค่าของเจ้านั้นค่าของเจ้านี้ต่างกันมุนสลับสับไปสับมาเสร็จแล้วเขาก็ตัดตอนมากินได้บาป ก, กินหัวพวกนี้เป็นวิชามาจากนารก แต่เขาไม่รู้หรอกเขาเอาวิชาาชาเขาฉลาดนะฉลาดในการซับซ้อนหาวิธีได้เปรียบหาวิธีตัดตอนเอาคนเขาเรียกอะไรพวกอะไรพ ว, พวกคนกลางพวกคนกลางนี่แหละพวกคนกลางหุ้นวิธีเล่นหุ้นนี่ก็บาปมหาบาปนรกนช่วยโอกาสมุนนั่นมุนนี่ยักตรตนจักตตนนี้สลับซับซ้อนหนีคว้าเข้ามาได้รีบ วิธีการซับซอ้อนวิธีการตามเหตุการณ์สังคมแล้วก็โฆษณากันไปหลอกกันไปก็ยังได้เห็นไหมบางทีกใ็ใช้วิธีเชิงหลอกให้หลงสุดท้ายไม่จริงแต่ตอนนี้ไอ้คนลงมาซื้อแล้วได้เงินมาแล้วแล้วรีบขายออกไปแล้วได้ส่วนเกินแล้ววิธีเล่นหุน้นบาปมหาบาปไม่ได้ใช้แรงงานอนะไรใช้แรงเหมือนกันใช้แรงความคิดที่เชิงกล ฉลาดโกงอะเท่านั้นเพราะความฉลาดที่ฉลาดมากๆแต่เป็นการฉลาดที่รู้ความจริงตามความเป็นจริงฉลาดที่รู้สัจธรรมสารสัจจะและเอามาทําให้เป็นประโยชน์เสียสละสร้างสรรค์ไม่ใช่จะไปหาเหลี่ยมโลกโมโทศน์เอาเปรียบเอารัดสระมันเป็นเรื่องดีมีคุณค่าประโยชน์ต่อมนุษยชาติแล้วเราก็มาพิสูจน์ความจริงอันนี้อาตมามั่นใจในความจริงอันนี้ว่าพวกคุณฟังพวกคุณเห็น พวกคุณเข้าใจและพวกคุณก็ทำได้ทำได้ทำได้ไปมันก็สบายใจและเราก็อยู่ก็รอดแล้เราหมดอัตสาหะไปมากเท่าไหร่เราก็ไม่ต้องไปเป็นภาระใช่ไม้มไม่ต้องเป็นภาระตัวเองไม่ต้องเป็นภาระคนอื่นเราก็มีชีวิตร่างกายแข็งแรงกินก็ได้ถาไดได้อะไรแต่ไรมาบำรรย์ร่างกายดีแล้วไม่มีอารมณ์ที่เป็นอัตสาหะไม่มีอารมณ์ที่เป็นหลงๆเลอ ะ, ละๆที่ก็หลอกมาเป็นสมมติสัจจะ เรามีแต่ปรมาทิเรามีแต่จิตที่ชัดเจนรู้ของจริงตามความเป็นจริงรู้จักธรรมชาติไม่ต้องไปปรุงไปแต่งอะไรขึ้นมาแล้วก็ไปลงไอ้สิ่งปรุงแต่งนะั้น่าเป็นอารมณ์ว่าเป็นสิ่งที่น่าดาย่ามีน่าเป็นต่าเสาฐสมใจเสพตามนั้นนะก็อุ้ยสุขชื่นใจเห็นความจริงนี่ชื่นใจเห็นคนเสียสละชื่นใจเห็นคนขยันมันเพียรชื่นใจเห็นคนมีประโยชน์คุณค่าเนี่ชื่นใจ มันก็ชื่นใจได้ในสิ่งที่เป็นสาระสัจจะเห็นคนทุกข์ก็เออหน้าช่วยช่วยเขาไปได้ช่วยได้ก็ดีแล้วก็จบเห็นคนโง่ก็บอกเขาโง่เอาวิชาด้วยก็บอกเขาแม้จะไม่ฉลาดในทางเชิงกลนี่จะไปคิดซับซ้อนเหมือนนายโซโรสอสคิดซับซ้อนเหมือนเชิงกลในนักเล่นหุ่นนักเล่นกลอะไรก็แล้วแต่ในโลกที่หาวิธีไปหลอกคนอื่นได้ เอามาหลอกแม้นักดีไซเนอร์หลอกเกาให้บาบาบอขายแพงด้วยของนิดเดียวขายเอาค่านิยมคนมาหลอกเอาปัน่นหัวเอาเงินเอาทองเอาเปรียบเอารัดแล้วก็ได้เงินมากมากนึกว่านี่เป็นเรื่องหยอดเราก็เข้าใจเขาแล้วเราก็ไม่ไปเข้าบ่วงเขาไม่อยู่ในบ่วงเขาเราก็อยู่ของเรา สังคมอย่างนี้ต่อไปเข้มแข็งขึ้นพิสูจน์ความจริงสัจจะอันนี้ขึ้นนี่แหละจะกอบกู้สังคมขึ้นมาฟื้นตัวทุกอย่างก็ไม่ถูกพลานถูกปลาไม่ถูกทําลายไม่ต้องแย่งต้องชิงจะอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาจะได้มากได้น้อยอย่างไรก็ต้องทําแล้วก็เกื้อกูลกันได้อย่างชี่เห็นเนี่ยอาตมายิ่งเห็นระบบวัฒนธรรมของพวกเราน้ําท่วมราชธานีอโศกโอ้โหต้งเป็นเดือนไม่อดอยากเลย ไม่ต้องไปร่ำร้ อ, รองอ้อนวอนขอให้รัฐมาช่วยไม่ต้องพวกเราเกื้อกูลกันเองมีน้ำใจนี่คือระบบวัฒนธรรมสังคมชาวโสวกแล้วใครเดือดร้อนก็เอาไปช่วยกันอะไรไแม้ไปช่วยคนอื่นบ้างพอได้ค ข, ของเราเพราะระบบบุญนิยมของเรายังไม่แข็งแรงต่อไประบบบุญนิยมของเราแข็งแรงทำมากมีระบบมากมีสมรรถนะสูงมีกิจการงานมีอะไรอะไรมากพอเยอะแย ะ, ยะ มันก็จะมีส่วนร้อส่วนเกินมากต่อไปเนี่ยโอ้โหรับรองถ้ามีพลเมืองหรือมีประชากรของบุญนิยมเยอะแยะมากพอไทยรัฐก็ไทยรัฐเถอะมีอุทกภัยแบบนี้นะท่านชาวอโศกนี่แหละจะออกคาราวานไปช่วยมากกว่าไทยรัฐแต่ตอนนี้ให้เขานำไปก่อนไทยรัฐก็ประกาศทั่วห้คนมารับ มาบริจาคแล้วก็จัดการไปเาก็มีกองจัดการมีคนมีพลังคนมีพลังวัตถุแล้วก็มีแรงที่จะโฆษณาเปล่าประกาศให้คนมารวมก็เป็นวิธีของสังคมต่อไปอสวกก็มีวิธีนี้ได้ยิ่งคนเข้าใจยอมรับทำํำในความบริสุทธิ์ใจทำในความลึกซึ้งทำในอย่างดีจริงพวกเราไม่มียักไม่ย้ายไม่มีมาแฝงมาอะไรจริงๆเราไม่มานั่ง เอาโดง่งเอาดังก็ไป ม, มานั่งเอาด้วยคนก็จะนิยมยิ่งกว่าด้วยเ่อเราทําไม่ต้องเอาแม้ต้องการดังต้องการโด่งอะไรยิ่งทำโดยบริสุทธิ์ใจเห็นจริงรับรองเหนือชั้นกว่าด้วยในอนาคตตอนนี้เรายังอะไรก็ยังไม่พร้อมเพราะยังเหนือแต่ว่าเราจะต้องภาคเพียนเพิ่เมเติมขึ้นทําให้มันเป็นสภาพที่จเจริญดังที่อธิบายมาคร่าวๆเนี่ยนะและมันก็จะซับซ้อนขึ้นมาเรื่อยๆ ซ้อนเชิงความบริบูรณ์ความครบครันเกิดจากพลังงานของตนของตนแต่ละคนพลังงานที่เสียสละจริงสร้างสรรจริงขยันหมั่นเพียรจริงมีสมรรถนะจริงยิ่งบริสุทธิ์สะอาดว่าเรายิ่งเป็นคนน้อยกินน้อยใช้น้อยไม่มีห่วงแหนไม่มีไม่มียึกยักอะไรไว้มีทุกอย่างก็สะพัดได้อย่างเรียบร้อยตามบุญบารมีของแต่ละคนจริง แล้วมันก็จะเกิดสภาพพวกนี้ยิ่งนับวันนี้อาตมาคิดว่ามันยิ่งมีความจริงที่ปรากฏชัดขึ้นไหมยิ่งนับวันยิ่งชัดขึ้นมีทั้งรูปประธรรมนามธรรมาของเราด้วยนามธรรมาของเราด้วยและนามธรรมาของเพื่อ น, อนแสดงออกอ๋อนี่เราเห็นแก่ตัวน้อยลงเราขี้เกียจน้อยลงขยันมากขึ้นอดทนได้มากขึ้นโดยไม่ต้องอดทน อดทนได้มากขึ้นกับจนสุดท้ายไม่ต้องอดทนมันเฉยเฉยมันธรรมดามันไม่ต้องลาบากใจแล้วมันก็ไม่ต้องอดทนนะเราก็จะมีสวัฒนะมีความชานาญมีความสามารถฝึกปรือทาไปคนเราทำเป็นแล้วแล้วไม่ทำเดือนหนึ่งมันก็เรือไปเดือนหนึ่งไม่ทำปีหนึ่งมันก็เรือไปปีไม่ทำห้าปีมันก็เรือไปห้ปีมันก็ไม่มีความชานาญไม่มีความแก้คล่องความสามารถราลดลง แต่ถ้าเราทําทุกวันเดยทําอย่างขมิ้นขมันทําอย่างมีอิทธิบาทเอาใจใส่พิจารณาวิเคราะห์วิจัยทําอย่างใส่ใจมันก็ยิ่งดีละเอียดละออยิ่งมีคุณภาพยิ่งมีความชํานาญยิ่งมีความเก่งความสามารถแล้วคนมีความเก่งความสามารถขึ้นนี่มันเป็นคนเลวลงหรือไงเราไม่ได้ไปสร้างสิ่งมองมเมาฟุงฟ้งเฟ้อโดยซ้ําไปเราสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่าเลยซ้าไป เพราะเราจะมีโรงงานเราจะมีสิ่งที่โลสิ่งที่ผลิตมันหนีไม่ได้หรอกโลกมนุษย์สังคมมนุษย์มันจะต้องเป็นอย่างนี้ยิ่งทุกวันนี้วัตถุดิบมันร่อยรอเราจะต้องมาประกอบการเราจะต้องมามีกิจการมีกิจกรรมจะต้องทำอะไรอะไรเพื่อช่วยเลือเอฟ้อไฟล์โลกเขาจริงๆเราไม่ต้องทำอะไรมากกว่านี้เราก็อยู่รอดแล้วแต่มันจาเป็นในสังคมมันังต้องครบวงจร ให้คนเขารู้ว่าโอ้ยพวกนี้นี่มันก็ทำได้เหมือนอย่างเราและเขาก็ไม่เอาหลายอย่างเราจะทำโดยเราไม่ต้องกินต้องใช้ต่อไปในอนาคตแต่คนเขายังต้องกินต้องใช้ต้องอาศัยเราก็ต้องทำเผื่อเขานะแต่อะไรที่มอมเมาเราก็ตัดเขตเฟอ้อแล้วเกินแล้วไม่เอาอยางงี่เป็นต้นนะอัตมาก็พยายามพูดทั้งประมัดเริมตนเนประมัดหนัก แล้วก็ขยายออกมามาตัวปลายเนี่ยพูดถึงความสัมพันธ์ต่อสังคมความเป็นจริงของมนุษย์ที่จะต้องมีบทบาทอย่างนี้มีลีลาอย่างนี้สังคมจะต้องเป็นอยู่อย่างนี้เดี๋ยวนี้เราเอื้อมเข้าไปมีนิติ น, นัยมีทั้งกิจกรรมการเมือง<ม>ทำเป็นเล่นไปแต่เรายังทำอะไรไม่ได้มากกิจกรรมการเมืองเพราะการเมืองมันกาลังบ้าให้เขาบ้ากันไปก่อน แต่เราก็สร้างสภาพการเมืองในสภาพของอย่างเราเนี่ขึ้นมา ก, ก่อนการเมืองของเราคือเรียนรู้คนสอนให้คนรู้จักหน้าที่พล เ, เมืองดีรู้จักว่าเราจะเป็นอย่างไรนักการเมืองเขาจะมาอนุนันิกรเราอย่างไรหยับหยาบตั้งแต่บอกว่า เ, ออเราต้องไปลงคะแนนเสียงนี้ต้องไปอย่าไปนั่งนอ น, น, อนหลับทับสิทธ์และเลือกเท่าที่เราจะเลือกได้ว่าใครดีที่สุดตามที่เรามีภูมิปัญญาเลือก เราไม่ต้องไปซื้อเสียงซื้อเสือไม่ต้องไปรับเงินรับทองเข้ามานั่นแน่นอนอยู่แล้วแล้วเราก็ไปเลือกจริงๆทำหน้าที่ที่เราจะแสดงออกได้ตามสิทธิหน้าที่ของพลเมืองดีมีสิทธิที่ทำได้ในวิธีการวิถีของการเมืองเขามีอย่างไรศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทาเท่าที่ทาได้แล้วมันก็จะเกิดคุณค่าเองไม่หาอำนาจไม่ไปหายศักดิ์แต่สร้างความเป็นจริง เราเป็นคนที่เป็นนักผลิตเป็นนักบริการเป็นนักบริหารอีกหน่อยคนเขาก็จะต้องรู้ว่าคนที่เป็นนักผลิตเนี่ยเอาไปเป็นผู้นำเขาก็จะเลือกขึ้นไปนักบริการที่มีคุณภาพเขาจะเลือกขึ้นไปเป็นตัวอย่างไปอธิบายให้ประชาชนฟังนักบริหารที่สมควรจะไปเป็นตัวอย่างเป็นบริหารไป เป็นตัวอย่างไปบอกกล่าวแก่ประชาชนคนเหล่านั้นก็จะได้รับเลือกข้าไปเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีกันมาธิการหรืออะไรก็แล้วแต่พวกประชาชนนี่แหละจะเลือกขึ้นไปและคนที่ไปทำนี่ไม่ต้องไปอยากได้ลาบยอสันเซอร์โดกีสุอะไรหรอกเพราะเราเรียนลงคุตรรมแล้วด้วยเรามีความสามารถทางโลกีควสามารถทางกิจการกิจกรรมอะไรด้วยเลือกไปแล้วเราก็ไปรับหน้าที่รับผิดชอบเรียนรู้วาการบริหารการจะอธิบายการจะ แก้ปัญหาทางด้านการงานทังด้านเศรษฐกิจทางด้านการศึกษาทางด้านกา ร, กรทําอะไรก็แล้วแต่มันก็จะขึ้นไปเองไม่ต้องอยากเป็นหรอกอีกหน่อยต่อไปมันจะเป็นระบบมันจะค่อยๆเป็นไปอพอสมควรจะใช้เวลาอีกกี่ปีช่างมันทางโน้นก็โอ้โหมันไม่เป็นจริงเลยมีแต่จะเป็นธุรกิจ หาเงินหาทองหาลาบหายุดมาบำเรอตนมันเป็นโลกีร้อยเซเลยมันไม่เป็นลักษณะโลกุตระมันไม่เป็นลักษณะบุญนิยมมันลักษณะทุนนิยมศักดินาเลทัอยู่นั่น阿拉เพิ่งเริ่มต้นเรื่องของการเมืองนะแล้วก็ค่อยอธิบายค่อยค่อยเล่าค่อยๆบอกค่อยคชี้ไปแล้วพวกเราจะเข้าใจค่อยคเข้าใจแล้วก็ค่อยเกิดรูปเกิดร่างเกิดเป็นอะไรอะไไปใครเขาจะว่าไงฟังเขาว่าไปก่อน ไม่ต้องไปเถียงก็มากเรายังไม่รู้อะไรพูดไม่ถูกก็เฉยๆไว้ก่อนพอพูดอไดเล็กๆน้อยๆ ก, ก็พูดระวังจะพูดอัตโนมัติเกินไปล่ะนึกว่าอย่างนี้ถูกแล้วลอเขาไปเขาย้อนเกล็ดทีหลังแล้วยุง่งเราเราจะแน่ใจว่าอันนี้ถูกต้องเขาพูดไปยังไม่ถูกต้องเอออันนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจดีอยาเพึ่งพูดออกไปมากนะทาก่อนดีกว่าพูดทาให้มันเป็นสิ่งจริงยืนหยัด อาโศกเรานี่เราทำมาทุกวันนี้เราภาคเพียรสร้างมาสภาพอะไรต่างๆนานาคนก็จึงยอมจนอนํานนเพราะเราสร้างมาเป็นจริงเขาจึงยอมถ้าไม่งั้นก็ไม่ยอมหรอกเอาละวันนี้ใช้เวลามาพอสมควรแก่เวลาแล้วก็คิดว่าพอเราจะได้ประโยชน์จากที่ได้เทศได้ย้ําอะไรสู่กันฟังปฐมโศกนี่เป็นชุมชนแรกที่เรารวมตัวกันเกิดเป็นรูปเป็นร่าง ซีสาอโสกก็ค่อยๆมีรวมพลขึ้นมาเป็นชุมชนตามซาลียโศกตามสันติอโศกนะเพิ่งจะงงเงย ง, งงเงยเป็นสันตินาครขึ้นมาไม่กี่ปีเนี่ยแต่ก่อนก็กระจายอยู่อย่างคนเมืองไม่ในเดือดในราว์อะไรมันพอเราก็ค่อยๆเป็นกลุ่มขึ้นมาอย่างเงี้เพราะนั้นปฐมอโศกนี่มันเป็นปฐมจริงๆเป็นชุมชนแรกและเราก็มีอะไรต่ใดพอสมควรมีโรงงานมีการกิจการอะไรเนี่ยจะเป็นโรงงานได้ค่อยๆเกิดขึ้น ต่อไปไอโรงงานเห็ดก็น่าจะเป็นโลเป็นภายแต่อย่างว่าอะไรโรงงานเห็ดในภาคกลางภาคกลางกินเห็ดไม่เก่งอีสานกินเห็ดเป็นเพราะโรงงานเห็ดมันก็น่าจะไปอยู่อีสานน่นมากกว่าที่นี่โรงงาต้าหู้อยู่ในเมืองนครปฐมในดีเพราะเมืองนครปฐมกินเต้าหู้เก่งพราะนักกินเจโรงงต้าหู้ก็สร้างขึ้นมันจะมีโรงงานยาโรงงานนั้นโรงงานนี่อะไรก็ค่คอยเกิดไปตามลําดับลําดับไม่โรงงานอะไรบ้างค่คอยว่ากันแต่กเกษตรหรือกศิกรรมนั่นเป็นหลัก ถึงแม้จะดินไม่ดีก็พยายามทำให้ดีขึ้นมาพอเป็นไปได้ก็ลองลองดูช่วยกั น, นสร้างสารรค์ไปตามเรื่องตามราวสิ่งที่มนุษย์เป็นปัจจัยเป็นอาหารเป็นยาเป็นเสื้อผ้าเป็นที่อยู่อะไรนี่ค่อยๆเป็นไปมนุษย์บุญนิยมทำงานฟรีทำงานไม่หลงหลาบยศอะไรอาศัยใช้ไปธรรมดามีวัฒนธรรมอย่างนี้แล้วมีแนวโน้มมีจิตใจเชื่อมั่นในสิ่งที่เป็นอย่างนี้ ล้างกิเลสเราออกไปเรื่อยๆมันก็จะขึ้นไปสู่ทิศทางนี้เป็นโลกุตระบุคคลและพิสูจน์กันดูในโลกนี้ที่เขามีสอนกันศาสนาไหนก็สอนสอนเขาก็สอนให้ดีๆแต่รับรองมันไม่แข็งแรงมันของมันอย่างพุทธพอพุทธมันถึงรากเงาของจิตมันแก้ปมรากย่าแก้ปมรากเงาเลยอันนี้อาตมามั่นใจว่าอันนี้จะไปนานทาวรและจะรุ่งเรืองกว่า ในสิ่งที่เขาคิดว่ามันดีงามอะไรอยู่ในโลกนี้อาตมามั่นใจอย่างนั้นนะอ้าวอรรถว น, นีพอ